ได้จนทวกเราไม่ได้อันหนึ่งก็ได้อันหนึ่งหอาเองให้คนอื่นช่วยบ้างให้ค น, นบอกบ้างสอนบ้างเราสอนตัวเราบ้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนเราบ้างครูอาจารย์สอนเราบ้างในรอบตัวเรานี้ไม่เตะสิ่งที่เป็นคุณเป็นค่า ถ้าเราใช้ชีวิตเป็นคนโบราณไม่ได้เพลงของลูกก็เป็นมักเป็นผลลูกล้มก็มีแต่พระไม่เต็ธรรมมาช่วยได้เห็นลูกล้มกับคนพระช่วยลูกตกบ้านตกเรือนโอ้ยคนพระช่วยจะได้จนเพลงของลูก เพียงกองกนอง้องเออลูกเจ้ามาเข้าผลเออดองเจ้ามาเข้าผลพัฒนาตนทั้งกายและใจร้านพี่เมื่อ น, น้องพองดองกันไว้พัฒนามีใช้เป็นสุก์ทุ ป, ปการเธอนกองลูกก็เป็นมากเป็นผลเจนตญรวมกูด อย่าไปจนความโกรธความไม่โกรธมาพร้อมกันความหลงมาพร้อมกันความไม่หลงถ้าเราหลงก็จนถ้าเราโกรธก็จนยิ่งทุกข์ยิ่งยากยิ่งโอดยิ่งอยากถ้าไม่หลงไม่ก็ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่โอด ไ, ไม่อยากชีวิตเราเนี่ยทางด้านร่างกายก็อย่า ย, ยอมจน กย้อนมัอนเพียนต่อมาหายจิตโดยจักหารู้จักรักษารู้จักใช้บางจิตใจก็ให้มี่าให้ได้จนจนใจก็เป็นทุกข์เป็นโทษจนกลายก็เป็นทุกข์เป็นโทษโอดจากเป็นเกียดข้านเป็นคนทุกข์คนยากคนคนอดทนยาก กันขยยนย่องหาซบได้ก็เกียวกับเยื่อนอนเป็นทุกข์กจนใจก็มีผลกระทบเช่นขงวงโกรธเป็นผลกรทกทบต่อตับความเครียดเป็นผลกรทบต่อหัวใจตัววิตกกังวลเป็นผุนกระทบต่อกระเพาะอาหารวมหมดอะไรน้อยเนือตําใจเป็นผุกรทต่อปอด โต ม, ม้ามอะไรต่างๆด้ายํามธรรมตามหมออธิบายถ้าเราจนทรัพยไปนอกก็มีภูมิคุกมครไม่มีอยู่ไม่มีกินมีที่อาศัยไม่มีเครื่องนุ่งหม่มก็ยามมีหลักมีฐานหลักของใจก็มีสติสำชัญญยเหมือนบ้านพ่อบ้านแม่ มีสติเหมือนอยู่บ้านพ่อมีสติเหมือนอยู่บ้านแม่ถ้าดสติเหมือนคนไกลบ้านก็คืาอาไม่รู้จะเป็นอย่างไร ค, คุ้มยคุ้ดีผู้ผู้เพียบเพีเราไม่ต้องจนมีสติเอาไว้ดูสึกตะลึกได้ก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดดูจักทิศ ด, ดูจักทางการใช้ชีวิต ความผิดมาทางไหนความถูกมาทางไหนเวลามั น, นผิดอย่าไปจนในความผิดในความผิดไม่ความไม่ผิดในความทุกข์ไม่ความไม่ทุกข์ในความโกรธไม่นความไม่โกรธในความหลงในความไม่หลงในความเกีียไม่ความไม่เจลในความเก็บไม่ความไม่เจ็บในความตายไม่ความไม่ตายเหมือนพระศิรธะมองเกลียเจ็ บ, จบตายมองอย่างนี้ อย่ามองแบบจนถ้าเรามีกําลังศรัทธาเรื่องนี้อ่มันจะไม่อ่อนแอม่จะเข้มแข็งเรื่ความโกรธอาจจะเป็นความยิ้มยิมสักหน่อยไม่ใช่หน้าบูดหน้าบึง้งเพราะมันเห็นแต่ความทุกข์ก็ยิ้มยิมหัวลภความทุกข์หัวโลภของโกรธได้ถ้าเรามีความเข้มแข็งอ่ะมีหลักถ้เรามีกําลัง มองดงเป็นทุ่งไปเลยแต่คนเหยียกข้างก็มองทุ่งเป็นป่าไปเลยเกิดประสงค์เลี้วม้าเกีวก็เดินหอดโบราณท่านว่าเดินดันไปจนถึงเราจึงมีความเพียนความเพียนคือความขยันก็ ภาวนาคือทําให้มีทําให้มากสิ่งที่ไม่มีหาให้มีสิ่งที่มันเสียไปแล้วหาคืนมาอย่างนี้ก็มั่งคั่งถ้าสิ่งที่ไม่มีไม่ได้หาสิ่งที่ไม่ได้มันหายไปไม่ได้หาให้คืนมามันก็มแต่ยากจน ความทุกข์ก็มีความทุกข์อยู่ตรงนั้นมันไม่มีสิ่งที่ไม่ทุกข์มันก็มีความทุกข์ในความทุกข์มีความไม่ทุกข์มีอยู่ในตัวในความหลงมีอยู่ในความไม่หลงมาพร้อมกันเหตุเกิดแต่เหตุดับก็ดับที่เหตุไม่ได้ไปหาที่อื่น เหตุกิดตรงได้แก่เหตุตรงนั้นย่วมหลว ง, ลงเป็นความรู้มาพพ้อมกันอย่างรเราจึงมาสร้างเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีคนมีปัญหามีคนก็มีปัญญาเพราะปัญหาเช่นเชื่อโลกมีปัญหาคนก็ไม่ยอมแค่ปัญหา เส่นพวกหมอคณะวิทนะยาศาสตร์ไม่อยู่นิ่งติดตามอยู่เรื่อยมาเหตุหาปัจจัยอยู่เรื่อยสองตาก็ไปสอนทำที่เอาโอหาดใหญ่คณนะหมอหลายสาขาประมาณสองร้อยสามร้อยคนอยู่สี่วัน ตั้งแต่เช้าจนถึงสองทุ่มสามทุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ภาคบรรยายพิเศษก็มีภาคบรรยายในภาคปฏิบัติก็มีต่อให้หัวข้อพูดสติเพื่อนแท้ของชีวิตต่อมาก็มีสติมีความรู้สึกตัวไม่เป็นอะไรกับอะไร ไปถึงกายป่วยใจสบายหมายถึงมันก็มีเบื้องต้นท่ากลางที่สุดชีวิตของเราเนี่ยเบื้องต้นสติท่ามกลางสติที่สุดสติมันเหล่าเก้าแรกคือเก้าเก้าที่สองคือเก้าเก้าที่สามก็คือ 9, เก้ 2, 9, เา ข้าวแรกถึงข้าสุดท้ายถึงจุดหมายปลายทางถึงมันก็บอกให้ถึงไม่ถึงก็บอก ไ, ได้ถึงเช่นมันทุกข์ก็ยังเดินไม่พ้นทุกข์เหมือนพ้นทุกข์ก็บอกว่าไม่มีทุกข์อย่างพูะที่ธเจ้าของเราชาสิ้นแล้วผมวูมจนทร์จจบแล้วจิตอื่นเทียมต้องทําไม่มีอีกแล้ว จบแค่นี้ชีวิตจบเท่นี้เห็นดินสุดเค่นี้ลูกเราก็กำหนดลู้แล้วอาวมุทยเราก็เห็นแล้วสิ่งที่เกิดได้เกิดทุกวิธีปฏิบัติได้ถึงทุกที่ลูกเราก็ทําแล้วเราก็เลยพ้นแล้วเรียกว่าอธิษฐานสีเหมันเห็นงูเห็นงูเห็นทุก เราอยู่ใกล้งูเหตุมันอยู่ใกล้งูงูใกล้ในแช่งออกไปการออกไปแล้วก็ออกไปแล้วแต่เรายืนอยู่นี่มันไม่ได้งูมันแผ่ไม่เบีย้ยชูคอใส่เราอยู่เราก็ถอยออกไปแล้วก็วิธีออกไปของเราออกไปจริงๆออกไปทีแรกก็เก้าหนังก็ไปออกจากงูสองเก้าไกลออกจากงูเก้าไปไกลถึงที่สุด พ่นแล้วเรากับงูก็อยู่ไกลกันแล้วงูก็ได้กัดเราแล้วสอนพ่นเราก็รู้ปลอดภัยแล้วเหมือนลุงจ๋าไปเจอหมูลิงไปในดงคนเดียวในป่าในถ้ำนัดกับเพื่อนเพื่อนนัดแล้วไม่ไปตามนัดเราไม่รู้ เ, เพื่อนเป็นคนที่ไปอยู่ในถ้ำแห่งนั้นมาก่อนเขานัดพาไปพบกันที่นั่นในกลางดงชุมพรจังหวัดชุมพลตลาดใหญ่เททุกวันนี้เป็นตลาดไปแล้วแต่ก่อนเป็นกลางดงที่เขาจุดประทัดมากๆากนะเดินเรานั่งรถยนต์ผ่านแต่ก่อนเป็นดวงตอนเข้าไปในถ้ำ จากรถจากที่ลงรถเดินไปจิตจมอไปถึงก็ข้ามมืดเดินเข้าไปในถ้ำว่าจะไปพัก่ํำแต่ไม่เห็นเพื่อนเห็นเต่ผงดิงกระหูตัวใหญ่สามสิบสี่สิบตัวมันกูออกมาจากถ้ำมาากกาันจะกัดเรามันหลายตัวตัวใหญ่ใหญ่เท่าคนเนี่ยกระหู อางกินกินางกวงป้อมอางชันชนมันดุมัยิงเขี้ยวใส่เราโกกะกโก ก, ก <laughs> แล้วก็มองมันถ้าเราเดินไปหามันไม่จากัดเอาก็เลยถอยร้องออกมาขนาดนั้นเป็นไงขนาดนั้นก็ไม่มีความกลัวอะไรมีแต่คิดไหนเยว่าขอโทษเราไม่คิดว่าพวกเธออยู่นี่ ที่ว่าจะมาเฉยถ้ำมมานอนที่นี่มันก็ข้ามแล้วแต่ไม่รู้ว่ากเธอทั้งหล่ออยู่ขอโทษเขาก็เลยถอยออกไปด้วยความยี่มเยี่ยมเฉมใส่ไม่ได้กลัวไม่ได้จะทุกข์สะเทืนไม่ได้อะไรบาตรอะไรแอะไรทั้งหมดถอยออกไปม้นก็ตามเราออกไปเวลาดูมองมันที่เดียวมันก็ยิ่งเขี้ยวใส่ เราก็ไม่ได้มองมันเหมือนกับเพื่อนกันคิดว่าเป็นเพื่อนเกิดเจ็เจ็บตายด้วยกันเราก็ไม่เบียดเบียนใครสเปชตาชัดทั้งหลายไม่ได้เบียดเบียนไม่ไั่บาทไม่มีเวรไม่ไั่ต่อกันเราไม่มีเวรไม่ไัต่อใครท่านก็ไม่มีเวรไม่พัยต่อใครถอยออกมามันก็ตามออกมามาถึงหน้าถ้า มีพระลานเห็นอยู่หน้าถา้ำเราก็นั่งลงตรงนั้นข้ามพอดีเอาเปิดเอาบาดออกเอามุ้งออกอากางโกดที่นั่นมันก็ลั่งล้อมอยู่เวลาเราดรูมันทีไรมก็วิ่งเขี้ยวใส่อันทําท่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สะทกสะเทือนไม่ได้กลัวไม่ได้คิดจะวิ่งหนีมันก็ มองไปมาๆกับ ม, มองเฉยๆมองหน้ากาันเฉยๆแล้วก็กางกดเสร็จแล้วก็เข้าในมุง้งเขาบอกมันว่าอย่านหนีไปไหนนั่งอยู่นี่แหละุ่มล้อมเราไว้ขอเป็นเพื่อนกันเถิดในคืนนี้ให้พวกเธอนอนอยู่ น, นี่รอมเราอยู่นี่เป็นเพื่อนกันแล้วก็นอนหลับไปเลย <laughs> ตื่นขึ้นมาก็เห็นหรียญเลยมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันคงจะเข้าไปในถ้ำน่าเ น, น, นี่ยไม่ต้องกลัวนะ่ะเห็นอะไรต้องมีปัญญาแบบนี้อาาริสต์คืออย่างนี้เห็นเหตุมันไม่ทำให้เหตุมันเกิดขึ้นหนีไปพ้นไปเห็นความหลงพ้นความหลงมันหลงไปทางไหน หลวงเลาเกิดอะไรขึ้นพอใจไม่พอใจอ้าว้ถึงพอใจไม่พอใจจละความพอใจไม่พอใจถยออกถอนดอกในความพอใจความพอใจมันก็เป็นเป็นภัยอันหนักควาไม่พอใจก็เป็นภัยอันหนักถอนความพอใจแล้วความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มีสติแล้วแหละอยู่นองเรโลสวดสติปัฏฐานสูตร ที่อยู่ในกายนกายอยู่เป็นประจําตอนความพอใจและความไม่พอใจในอันเกิดขึ้นเสียได้มีสติแล้วอะอยู่ในความเพียรเพื่อเขาจเจริญมีสัมปชัญญะน่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะความหลงมันมีหรืว่าอันนั่นแหละมันจะมีประโยชน์แล้วก็เห็นความหลงแหละจึงพุ่นจากความหลงเห็นความทุกข์จึงพ้นจากความทุกข์ มีเหมยเห็นความโกรธจึงพ้นจากความโกรธก็เห็นเราไม่หนีไม่ทาไม่แจ่มแจ้งทําไม่แจ้งซานี่คือความโกรธนี่คือความทุกข์นี่คือความหลงนี่คือความโลภมันเป็นพิษเป็นภัยต่อเราหนีมันซะมันหนีได้ปฏิบัติดได้ให้ผลได้อะเนี้ยเตติเป็นอย่างนี้เหมือนอริซอบ วันเรามีเงินมีเงินซื้อข้าวจีนหนาวมีเงินซื้อผ้าห่มฝนตกไม่มีหลังคามีเงินซื้อสังสีหรือไม่กระดานได้มาปูอยูได้เพรามีเงินมีสติอย่างเดียวเป็นทั้งหมดของอดีตชาติมีทั้งศีลมีทั้งฐานมีทั้งอภัย มีทั้งบุญมีทั้งกุศลเหมือนมีเงินไปนสภาพเป็ น, ปนอื่นได้ต้อต่อก็มีคนถวายปัจจัยขึ้นเทื่องบินไหวก็ขึ้นถึงิ น, ก, น, งนกับขึ้นเครื่องบินมาง่ายนิดเดียวจ า, าใจถึงข้อนเจนจากข้อนเจนถึงหัวใจ เดียวคุณหมูยังไม่มาขึ้นรถไฟสิบหกชั่วโมงมาถึงกรุงเทพลงรถขึ้นเครื่องบินชั่วโมงเดียวถึงกรุงเทพคุณหมูก็ลงอาจจะยังไม่ถึงกรุงเทพมันต้องสิบกวชั่วโมงนั่งก็จะนั่งรถกรุงเทพมาขี่พวงเอกก็หกชั่วโมง ต้องคืนสิบสองชั่วโมงตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานนี้สิบสองชั่วโมงสามโมงสี่โมงเช้าจะถึงกรุงเทพอ่ะกลไกลกันถ้ามีเงินก็สะดวกปัจจัยแปสภาพไปเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราไปหม ด, ดมนาจมซื้อข้าวให้อาหารการกิน เพรเป็นเลือดเป็นเนือ้อเป็นกําลังเป็นชีวิตเป็นปัญญาเป็นมากเป็นผลไปไกลโนนบอกอยู่เนี่ยพรามีชีวิตในเลือดในเนือ้อหรือกลังให้ออกไปทํามันก็เกิดมากเกิดผลมีสติบอกว่ามีสติไปในกายมีสติไปในเวทนาไม่ฉกมันทุกอยาให้มันสฉกมันทุกมันมีมันหลง ให้มันเป็นรู้นี่คือสอนทองเหมือนเราหาเงินหาเงินยังเดือนหนึ่คิดออกทีหนึ่งโดยจะได้อันปฏิบัติธรรมมันไม่ต้องรอพลิกมือขึ้นก็รู้วางมือลงก็รู้เดินแต่ละก้าวก็รู้ไม่ต้องรอเวลามันหลงก็รู้นนเปลี่ยนหลงเป็นรู้นัน่นนะ มันทันทีเป็นมากเป็นผลอยู่ในตัวหลงเป็นเหตุไม่หลงเป็นผลทุกเป็นเหตุไม่ทุกเป็นผลทุกเป็นเหตุออกจากทุกเป็นมากพ้นทุกเป็นผลเห็นงูเป็นเหตุไล้เห็นงูเป็นผลงูมันเป็นผลมันเห็นแล้วแหะงูมันมีพิษ เป็นผลแล้วก็วิธีออกจากงูเห็นแน่นอนลรวบอกงูงูจงบางงูพิษบัดตายหนีออกไปเป็นมากพ้นจากงูเป็นผลที่ว่าแจ้งแล้วพ้นแล้วปลอดภัยแล้วทุกที่จะเกิดทุกวิธีออกจากทุกพ้นจากทุกด้ว ทุกสมุทยัยโลดมักมาสาบาลีภาษาภาคปฏิบัติมันหลงมีสติประกอบความรู้ขึ้นมาเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงหรอกเป็นมักเป็นผลในตัว่แล้วมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงหรอกมักเป็นผลแล้วเห็นเป็นเหตุรู้แล้วว่าทุก วิธีออกจากทุกเปลี่ยนทุกเป็นไว่ทุกทำให้เสียจแล้วพ้นแล้วจากทุกหลงที่ใดรู้ที่นั่นกระชังนี้ํานาญเป็นปริญญายาตประปริญญารู้แล้วตีหลักพริญภาออกไหนี้แล้วป่าหน้าปรญญาพ้นแล้วปริญญาในชีวิตอย่างเนี้ย พระพุทเจ้าได้ปัญญานี้จากปัญญาที่เจ็บจมมาชิกเกตศาสตร์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าพอได้ปัญญาเนี่ยมันเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาชาติทิ้นแล้วผมศ์จันจืบแล้วมันต่างเก่าพ้นว่าว่าเดิมเคยมีหลงพ้นโฉมหลงสิงทําให้หลงไม่หลงแต่ก่อนสิงทําทำไมทุกไม่ทุก มันพ้นจริงๆมันต่างเก่าจริงๆที่ว่าวิปัสนาวิคือวิเศษวิวไนยะไนยะนําไปสู่ความวิเศษที่ว่าธรรมบินยัยปิคือวิเศษไนยะนําไปถึงจุดหมายไปทางความวิเศษพ้นภาวะเดิมตางเก่าพ้นภาวะเดิม นย่างนี้ด้วยทำไม่วินยัยทำไม่วินัยนี่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วเธอจงมาประพฤติตามทำวินัยนั้นเถิดเธอจงประพฤติปฏิบัติตามทำวินัยให้เป็นที่ชิ้นทุกเถิดเท่านี้สะหมายต้นต้ น, ตนการสอนพระสงฆ์ไม่มีอะไรมากก็จงเป็นภิกษุมาเถิด ต้ไม่ไหนเราตัดไว้แล้วต้นจงเป็นผู้พืชตามทานั่นเถิดเพร่ผู้ใดเป็นพระรหานยังไม่ได้บวชพอฟังเทศแล้วเป็นพระารหยนยงคนทยาผามวัปปะพัติยะมหานามะอจฉิวันรู้เป็นพระหันแล้วมาขอบวช อันวอดผู้เจ้าก็ใช้วาจาว่าเอหิภิกขุอุปสมบทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดต่อไม่ไหนเราตัดไว้แล้วท่านจงเป็นผู้ผู้ผพิตามณ์ธรรมนั้นเถิดผู้เป็นพระหรักโอนแต่ผู้ยังไม่เป็นพระหารก็มีคาพูดต่ออีกนิดหน่อยท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดต้อไม่ไหนเราตัดไว้แล้ว ท่านจงเป็นผู้พึ่ิตามทำไม่ได้นั้นให้เป็นที่ชินทุกเถิดให้เป็นที่ทิ้นทุกเถิดต่อไปถ้าผู้ที่ไปเป็นพระหันแล้วก็ปฏิบัติตามทำไม่ไั้นั่นเถิดถ้ายังไม่เป็นพหันก็ให้เป็นที่ชินทุกต้นเถิดถ้าเป็นพิกจูเลยมีเท่านี้ใครบวชเข้ามาก็โน่นคนไม้โน่นเหลื่อนวางโน่นทำ เตยจงนั่งก็ให้ตรงลำลองจิตให้มัน่นนี่ติเครื้องเข่าเิลียเธอจงบิีดน้ำในเรือของเธอแม่นเรือของเธอคืออะไรคือลาคะโทสาะโมหะวิตออกเรือของเธอจะวิ่งถึงที่จุดหมายปลายทางได้ง่ายถ้ามันหนักด้วยลาคะโทสาวะโมหะเลือของเธอก็หนัก วิ่งได้นานถึงโดยจึงหวิดน้ำออกเวลามันหลงหวิดออกอย่าให้หลงเป็นหลงให้หลงเป็นรูปหวิดออกให้ทุกเป็นรูปหวิดน้ำออกให้ลาข้าทะเวลามันเกิดขึ้นก็หวิดออกให้รู้น่นะเรือไม่จะเบาการเบาอย่างนี้หรอ ก, กายและหัตาเบากายจิตและหัตาเบาจิต แลก็หลุดพ้นได้ลอวิเวกอยู่อย่างเนี้จิตโดยเวกอยู่อย่างเนี้ยวิเวกคือมันหลงลู้วิเวกแล้ววิเวกคือมันทุกลู้วิเวกแล้วจิตวิเวกอุปัตติวิเวกเก็อกหมดความหลงก็หมดทั้งสุดท้ายได้ความโกรธกงหมดครั้งสุดท้ายได้ความทุกข์ก็หมดครั้งสุดท้ายได้ อย่างนี้ไม่ใช่ว่าหลงจนตายโคจนตายเดินก็แล้วก็เจอความหลงมีความรู้มีความห ล, ลงมันไม่ฟรีเราทํานี่มันมีเหตุมันมีผลไม่เชื่อมันไม่มีอะไรเมอมีสติยกมือขึ้นยกมือลงก็มีหลงแชกขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละเหมือนเราควนน้าให้มันขุน ปลาอยู่ในน้ำก็บวนขึ้นมาจับปลาได้สมุหลานเขาไม่มีเครื่องจับปลาเหมือนตัวันนี้เวลาไปลงปลาที่ไหนสมัยตลวงตาเป็นเด็กเห็นคนแก่เห็นพ่อเห็นแม่ไปหาปลากนาัดกันไปก็ด่าไปกัดไว้เป็นวังแล้วก็ ตัดพุธไม้ตัดพุดไม้มาลากน้ำเจแย่ไปเจแมาช่วยกันลากเจแไปเจแมาตีน้ําเล่นน้ำเจแย่ไปเจแมาน้ํา็ร่อยวนไหลเวียนไปไมาน้ําก็เพื่อ ม, มากขึ้น่มบ่มมำ ม, ม, มหลายคนเล่นน้ําเอาไม้เอาเฉีงไม้ใบ ไ, ไม้มาลากในน้ํำน่ะ หนามันก็เทือบมันก็คุนขึ้นมาปลามันก็งอมขึ้นมาแล้วก็สมัยนั้นคือจับปลาจะมีกับสวิ ง, วงก็แต่งแม่นว่าหลัง ก, ก็ตัด ก, ก่ตัด ก, ก่ตัด ก, ก่ตัดก่อางทีตัวไหลที่มันกลัวมันลังก็ะโดดขึ้นฝั่งเด็กน้อยอยู่บนฝั่งก็ไล่คุกปลา อันนี้มันก็งอมน่ยเราสร้างมันความเพียร ม, มันงอมขึ้นมามันทุกข์นะมันทุกข์แมันงอมแล้วเรอจะได้เห็นอ้โหนี่เลยทุกข์หลงงอมขึ้นมาแล้วเห็นความหลงสติมีอยู่แล้วเห็นความหลงเลงปลี่ยนหลงเป็นรูนะมันทุกข์ตอนไหนเวทนาอะไรกายยังไงมันเกิดยังไงจิตมันก็เกิดขึ้นมามันคิด นะมันคิดไปก็รู้ว่ามันคิดไปตั้งใจหนละรู้แล้วกลับมากลับม า, มากำหนดที่ตั้งเหมือนกับเราลากพุธไปลากอยู่ในน้ำได้เพิ่งไปสนใจมันลากมันต่พุ่ตไปพือให้มันกวนมันมันก็ขึ้นมาในความหลงความอะไรต่างๆเห็นกายเห็นเวทนาเห็นคิดเห็นทำทำ ท, ที่มันเกิดขึ้น เกิดกลุ้มงงเหงาหอนอนมีไหมเกิดความคิดทุ่งสานมีไหมโอ้ยหลวงพ่อมาสวนเราอยู่เนี่ยบางคนมาปฏิบัติธรรมมาถามหนูมีลูกสองคนหนูจะเลี้ยงลูกไหวไหมเนี่ยจะมาอยู่เนี่ยบางคนคิดถึงบ้านไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เดี๋ยวอนัดลูกไว้ เขาให้มาสี่วันห้าวัน้เขาจะมาห้าวันเอากลับบ้านบางทีไม่มีเลยนัดเกิดขึ้นมาเองต้องกลับจำเป็นจำเป็นแหละเคยเห็นหลวงพ่อมาปฏิบัติธรรมกับเราตั้งใจมาบายบาทพายอบมาผมตั้งใจมาอยู่กับอาจารย์ เรคุกันไปคุกันมาปุ๊บบุตีมาสูบมาที่นี่ก็ไม่สูบบุตรีนะก็เลยเอาบุตีเข้าหบาทเอาย่ามาคุยกันไปคุยกั น, กน เ, นะกเอเทเ อ, าาเอทังนั้นผมไปเยี่ยมญาติก่อนเอาเยี่ยมญาติไหนอยู่เนี่ยญาตใหม่เนี่ยย่อมไปไปไ ป, ไ ป, ไปก็ไปปุนี่ก็ไปไม่ได้เลยมันค่ำแล้ว ไปไปเช่หน่อยก่อนเอาไปแล้วก็ไม่กลับมาไปนอนอยู่ในบ้านไปนอนอยู่ใต้เล่าขเขาไปถามว่าหลวงพ่ออยู่ไหนละ่ะหลวงพ่ออยู่นอนอยู่ใต้เล่าหรอเอา้าทําไมพี่นอนใต้เล่าละ่ะไอ้ว่ามันหนาวสิแท้มันมันอยากสุบูรีมันอยากสุบูรีไห ย, ยอยู่วัดไม่สุบูรี เอาแวมาเลยไม่ออกมาว่าเลยกลับบ้านเลยแหวงเคบอกว่าที่นี่ไม่สูบุรียังไม่ห้ามเลยเจ้านั้นก็ไปกันแล้วเออบุรีเป็นใหญ่อ่ได้ไม่สูบุรีก็ไม่ต้องกินข้าวล่ะมันคิดไปทํานอง น, น, น, นั่นน่ะแล้วนั่นน่ะอะไรมันค่องบ่วงมันจะต้องไหนเรายังมีสติเห็นมันกวนมันคฟูขึ้นมาโอ้ หนึอื้อเนี่ยเห็นเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นนิวรณ์ร่าทำพวกมั่วหนอนกอมามละฆะปฏิฆาความโกรธความคิดอะไรมันแสกขึ้นมาเวลาไม่ปฏิบัติเหมือนมันไม่คิดเวลาปฏิบัติทำไมมันคิดมากเครียดก็เครียดคิดก็คิดง่วงก็ง่วง ม, ม, ม, ม, มันก็เกิดขึ้นได้ แล้วก็เห็น <S <S เห็นอะไรก็รู้รู้แล้วเวียนมันลองรูใจดีๆใจดีสู้เสือเวามันคิดก่อเห็นมันคิด<ล>อย่าเป็นผู้คิดความคิดเป็นอันหนึ่ง<ล>ตัวรูปเป็นอันหนึ่งมันมีอยู่<ล>มันคิดที่ไม่ตั้งใจลและไม่ควร<ล>คิดอะไรในเวลานี้วางไว้ก่อน ตัวสอบก็ปิดไว้ก่อนหนมังนใช้พิมก็ไม่ต้องอ่านทิทีทุก็ไม่ต้องฟังตัวทัชทีวีไม่ต้องดูลองมาดูเนี่ยกยายยวัชนาเนี่ยให้มันรู้อยู่เนี่ยจิสีจังบะ1ิสีรู้เนี่ยในคืนวันเพ็ญเดือนหกจิตติถะทอย่างนี้กูเขียนเข้ารู้จักตัวเหยื่เขียนออกรู้จักตัว พระสิริธรรมอย่างนี้นทำบางทีก็หายใจเข้าลู่ถึกตัวหายใจออกลู่ถึกตัวนางทีพระองค์ก็จะเดินยังมีรอยเดินอยู่ที่ต้นสีมหาโพธิเหนือของสีมหาโพธิมีรอยพระบาทเดินจงกรมอยู่ที่นั่นในคือมันเป็นดินหกไม่มีหนังสืออ่านไม่มีเพื่อนมีแต่ลูเ่ลเห็นลู่เห็นหลง อางทีพระองค์ก็คิดไปถึงพิมพาถึงลาหุนมันมีลูกมีเมียก็ย่อมคิดถึงลูกถึงเมียเคยคนมีจิตเดชตนาก็เคยเยี่ยวพระราชีก็คิดถึงคิดถึงพระชจ้าสมหวัดคิดถึงประสาทสารุ ด, ดูมันคิดไปกับเวลานี้เราไมา่ใช่มานั่งคิดเรามาบำเพ็ญสำนธรรมมีสติมีสติหเห็นสร้างสติมันหลงลู้ มันเมที่ตั้งอยู่ถ้าไม่มีที่ตั้งมันก็ไหลไปข้างหน้ามันไหลขึ้นข้างหลังโดยเพราะจิตใจของเราเนี่ยจึงตั้งให้เป็นปัจจุบันปัจจุบันคือชีวิตจริงเนี่ยมันรู้อยู่เนี่ยนี่คือมันจะแก้ก็แจ้เดี๋ยวนี้พวกนี้แก้ไม่ได้เมื่อวานก็แก้ไม่ได้พวกนี้มีอยู่แต่ไม่มีใครเห็นพว ก, กนี้มื้อวานก็ไม่อยู่แต่ไม่มีใครเห็นเราเห็นเดียเ๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ย ตังไว้ที่นี้ให้มันรู้อยู่เนี้ยมันจะเกิดอลไรขึ้นมันรู้อยู่เนี้ยนั่นจะตายมันตายลองดูเหมือนกับพระจิตตถาสมัยยังไม่เป็นพระเจ้าเราจะนั่งนี่เป็นขั้งสุดท้ายแม่เลือดเนื้อเอะเอ็นกระโดกกระผูพังวก็ตามจะไม่หนีเราพิจวรมาหกปีแล้วตั้งใจแล้วสั่งพิมพ์าแล้วสั่ง พิมพาคนเดียวนอกนั้นไม่สั่งเลยก็จะมาศึกษาเรื่องนี้ทำไมจึงมีเกิดมีแฉ่มีเจ็บ ม, มีตายถามใครไม่รู้ไม่มีใครตอบได้เราจึงหาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้หกปีแล้วยังไม่ได้คำตอบเหลือเรื่องเดียวเนี่ยมีสติดูกายดูจิตเนี่ยมีเรื่องเดียวเท่นี้เรื่อง อ, นอนื่นทำมาหมดนอนเชื่อนอนหนอนหมดข้าวโอน้ำ จนเหลือแต่หนังหูโดดยังมีจิตเดชตนาละคะอยู่มันเกิดอะไรที่ไหนแต่มาเห็นตรงเนี้มาทําตรงนี้น่ะมันก็เห็นเห็นทิศอะไรมันเกิดขึ้นรู้อ้าวมันใช่ได้เวลามันหลงรู้เวลามันโกรธรู้เวลามันเคเจอจิเลชตนารู้เวลามันง่วงรู้เวลามันคิดไปรู้เอหมือนเดียวเทวเนี่ย เียวปฏิบัติเปลี่ยนอะไรมาเป็นรูทั้งหมดเปลี่ยนอะไรอะไรทุกอย่างมาเป็นรูทั้งหมดแล้วก็มีแต่รูไปหนึ่งรูสองรูสองรูสี่รูห้ารูหกรูเ็ดรูแปดรูเก้ารูสิบรูสิบเอ็ดรูสิบสองรูสิบสองรูสิบสี่รู อ๋อมันมีแป๊บเดียวสิบสี่เวลาทีได้สิบสี่รู้แล้วเเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาขยันขยั น, ยนหรือว่าเพียนภาวนาคือรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆภาวนาทําให้มากตั้งขยันที่ว่าความเพียรภาวนาคือให้มากมากให้มากมากเรียว่ากรรมคือที่ตั้งไว้ตั้งไว้เนี้ ฐานเคยที่ตั้งการงงกระทำไว้นี่เพิ่มเพียนก็ก้าทำไม่นอนไม่หลบับไม่กินไม่อะไรไม่กินอยู่แต่ว่าไม่เล่นเพียนภาวนาขยันรู้อืมี่ว่ากรรมาฐานภาวนาท่านพรเจ้าทำอยางนี้จึงเกินพระเจ้าขึ้นมาหนึ่งวันเจ็ดปันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไิสู่ตรงนี้ เราจะขอเป็นมิตรเป็นเพื่อนจะไม่พาหลงทิศลงทางนี่คือวิชากรรมฐานเป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ใช่เรียนรู้มันหลงเป็นยังไงรวมรูปเป็นไงสัมผัสดูรวมโกรธเป็นยังไงเห็ีนโกรธเป็นรูปยังไงจิตนามันคิดไปรวมรูปเฉกตัวมันเป็นไง มันจะสัมผัสแบบนี้ผมหลงไม่เป็นธรรมผมไม่หลงเป็นธรรมขัวผมโกรธไม่เป็นธรรมผมไม่โกรธเป็นธรรมผมทุกข์ไม่เป็นธรรมผมไม่ทุกข์เป็นธรรมผมคิดฟุ้ง่านราคะโทสะโมหะไม่เป็นธรรมผมปกติของคิดเป็นธรรมสัมผัดดสดูสัมผัสไปเอาไปมาก็เลือกได้บัดเลือกได้เห็นแจ้งไม่ต้องถามใคร สมโกรธเป็นไงไม่โกรธเป็นไงไม่ต้องมีคำถามตัวปรกเองเรียกว่าจัดจัดทมเป็นเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมให้พิสูจน์มช่วยกันไม่ได้ต้องทำเองปฏิบัติปัจจัตัตงลูกเองอ้าวสมควรเจอเวลา n ะ